ขอรู esto, О, ser, es for, banda, es, ้ใจเจ้าขอบันดาลท่านพุทธบริษัทอย่างไรให้ดีศึกสญาินต์อุบายสุุบาจิตกาต้องทำและนำในการเจริญพระธรรฐานแต่ว่าพระญาติมีก็จะขอใช้เวลาในการโต้มากเป็นหน่อยแต่ว่าไม่มี้อยู่หลายวันแล้จะเรียนพระบทใหม่เข้มาเลย เรียกว่าลเาลาที่ถนัดฟังฟูขอที่ท่านทาสมาธิเป็ น, น, นตัวการทาสมาธิเป็นตัวนี้ข่านนิสิตมันหมายความว่าจะต้องภาวนาในขณะที่ฟังเสียงฟูงไม่ต้องภาวนาถ้ า, า, าได้สาวารถจะทาได้ก็คือกำหนดเรื่องใจต่อออก นนาออ ก, การหยดเลืลอนในใจก็ออกตามสบายเ้าทำฮอนนามาม่องไทยจิงที่กเราจัดเปสมาธิกำลัในการจออย่างขึ้นหนึ่ง ก, การหยดื่อนในใจก็ออกดังรายการเรียกจอมตังเสียงไล้ยินเสียงำคำโตกึ้นแล้วไดเกิดจังห้ะ ส, สมาธิโตนี่เรียกกาพอสมาธิ เราจะสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาดปด้วยในด้านนี้ก็นายานเตี๊ยฟังเสียงพูดแห่งอไอะไรเตี๊จิตที่เป็นนาให้เข้าถึงจิตตามเป็นจริงแล้วก็จิตตามไปด้วยอย่างนี้ถึงจะนายานตั้งแต่ระดับแรกเตี๊ยตก่อนแนะนำวิธปฏิบัติีปก่อนอิตี่ปฏิบัตินี้ ความจริาติองเราตแ่งเป็นสองประเภทใตาทหารก็เป็นประเกอประเภทกองพราะฉะนั้นชาติขเราบางเสีที่มาจากที่อื่นจะมาเมือจะต้องได้มโนยุทธิ์ก่อนแตาบางเสีที่เป็นเด็องที่ก็ไม่มีเกิดเป็นในพัดชนิดว่าเป็นยานปฐมภูมิชาติในที่นี้ยังไม่ได้มโนวิทธิมา แล้วเมื่อไหร่ที่ทำแบบนี้จิมันป่วยแล้วใจก็จะดใจนี่ถ้าคิดว่าปวดในแลมนไม่ปวดดีกว่าก็ไม่ปวดเลยงไม่้วก็ตกเบากว่าการบวดเพราะถ้าปวดใกันเองห่าไม่ตรบในก็ทําได้ไม่ใชนเพราะยาเยี่ง จังหวะวะที่ธรรมาบวกในเราเพื่กใสาสนาจริงที่จะต้องมาดูบัดจริงๆ ม, มีสามอย่างาเป็นหนึ่งอาชีพสิ่งนั้นจิตพาสอาชีิตนันจิตพาสามอาชีพกัญญาจิกษานตายสามอย่างนี้เข้าบวกมาจะแม่แม่จึ่นีนาทีแรก แค่คิว่า จ, จะต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่ได้ในความหมายความว่าการเมียเป็นการในเนะงคน่นแล้วอันนี้ก็อไรว่าพระจักจะเป็นตัวเปยาบุคลคลเป็นบุคคลที่เราไหวเขาต้องไหวเขาต้องไหวเราต้องไแม่เราเป็นชาววาเราต้องไหวพ่อไหวแม่ไหวญาติญาย แต่กราพรอพ่ า, า, ายพ่ายสาวใ่าเข่าพ่อแม่มาไหวเราญาติโยใหญ่มาไหวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะมาไหวเป็นธรรมคนที่ยอมรับได้ก็คือศีลบาริรสุทธิ์ฉันบอกเื่าเสาศีล น, นี้พระรินไนมีการฟังลำวัน <c oughs> และเราควนจะอ่านแลนะก็ตรอว่าเชื่อว่าพรรินไนไมีความร้ายดย ที่เราศึกาเรามีสีสองร้สิบฐาบทเราเรี้นจาว่าสีสองร้อสิบฐานบทมีอะไรบ้าถ้าไม่รู้เราจะขาดตัวที่สำคัญไปได้ถ้าเราไม่รู้สีเราสา่ารถว่าไป็คนไม่มีสีเนื่อถ้าไม่มีสีที่ใส่ก็คืออะไรเนื้ที่ใไปก็คืออะทีมาหาอร ดั่นั้นันดาพราจึงหมดใหม่ก็ดีหมดเก่าก็ดีเมื่เก่าก็ไม่แน่นักสำหเก่าลายการก็มีราคาดีถ้าเก่าทางตะลายที่เก่ายึ่งไม่ดียึ่งเลเยี่ยขอทุกขันที่หมดเข้ามาแร้วยงอยากจะหมัดในจิตที่เราจะทำหนึ่งเป็นเจ้าของโดยสิ้เชิงทุกที่ท้ ในการหนึ่งสองจะต้องตังจิตเป็สมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่มีกรคฝีมันโง่ยุธิ์ต้องตดไม่ได้ถ้าด้วยด้สามเดือนไม่ได้ในการออกพรรษาสมัยชาววัดการบดชครั้งแรกนี้มีทางเดียวคือบนทุกเละกับบ้านแต่คนอื่นก็มาในสองสามวันก็ทำกันได้ แต่ว่าถ้าคนท้องที่ทำไม่ได้ก็แสดงว่ากำลังใจของเรายังเข้าไม่ถึงความดีในพระพุทธศาสนาการหยุดสิ่งที่เบรค ก, ก็เป็นโทษอย่างเดียวสามอธิษฐานสุดท้ายจะต้องใช้ปัญญาเจนณาท้าวใจจริงของท่านห้าและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่อยอม ในความจะไม่ตันติดเพื่อรแสให้ความเป็นจริงเพราะจะมีความบริสุทธิ์ได้ต้องมีนี้ต่อไปที่คือปฏิบัติง่ายเดี่ยวตนที่บรรดาจันทรได้ขอชนได้ันิญกันาปฏิบัติกันในมากจะนลงวิดถือเปฏิบัติกันวันเดียวันได้ที่มาปฏิบัติเป็นเดียวหน้เพราะอะไรเช่นหนึ่งเพราะมีอารมณ์ดี ว่าตอนที <S <S <S <S <S <S ่จะมาเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งใจเอาทิฏฐิมานะมาด้วยนี่มันถึงมาติดกันไม่ได้สอนข่าวไม่ได้นี่แสดง่าแบเอาทิฏฐิมานะมาด้วยเดินจิงเช้ญคำอย่างนี้อาจารย์เล่นสอนอย่างนั้นอาจารย์่นสอย่างนี้แล้วก็มาสอนอย่างนี้สอนปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ตอบใจไม่นําตาย นี่ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีทิฏิมานะเป็นกิเลสเป็่อยากที่สุดที่สามารถจะนำเาไปหาเลามาโคูณได้การศึกษาแค่สมถันไม่รู้แต่ปัญหาไม่สีแบบเป็นสุขาริบะเวโกเปริโสตซลาติโยปริสันยิขะปัตโต นาดใจแบบหนึ right. ่งก็ม <absorption> ีความสำคัญเหาือนกันแล้วเพียงเพื่อนนั้นให้สุดเลยที่จะเป็นเพื่อนความสงสัยแม้ที่ไม่อด้ทราบแต่ว่าในวันมีเพียงเปิดมีเสียงอัศวกายมีเสียงตะวันมีเสียงลมมีเสียงสายมีัพนยงนาอยาจะมีเพียงตาหนึ่งหมายที่เราต้องการจะเจอในรอยู ต้องใรฝันเชื่อมันลเลย น, นะแต่ใจหนาให้เห็นว่าที่มันก็เจ็นจสอนมาเป็นของเกี่ยงทุกอย่างเมืเ่ออะไรได้มโนธี่แล้วก็อย่าเพื่งขนองคนว่าเป็นคนดีพอได้แล้วถือว่าเราดีแล้วเรารเสิดแล้วมันเป็นเกมาณนะการชีวิตเกี่ชีวิตตน ไออารมณ์ทรือสุยังีแต่เราคงจัแนวบ้เองที่ว่าอย่างนี้ว่าทเรอย่างนั้นตายแล้วก็ตกรสแน่นอนเพราะการยึดได้มันเอาอยู่ที่แล้วเราจะต้องพิจารณาเองว่าคนที่จะไปสวรรค์ได้เขาไป็นอาการยังไง ยังสำหับใจจอมจคนบบว่าคนที่อยู่ในแตนได้จริงๆก็คือไม่น้อยกว่าจาระสมาธิเวลาต้องไปทำฌานคนที่จะเป็นคนอยู่ที่เปได้จริงต้องมีไม่น้อยกว่าฌานโลกีคนที่จะอยู่ทีฌานได้จริต้องไปสีเลยทั้งหมดเป็นการเลือกจิตใจตั้งม แต่มัน kind of น <c oughs> ั่ง <c> ท <oughs> ี่เวลากั้นตรงนี้อย่างหนึ่งถึงเวลาที่อาได้มองดีๆแล้วได้เรืนได้ก็ต้องปฏิบัติเท่าไรขยัยสุขารุ่นอะไรก็พอถ้าเรารู้สิ่นี้ได้สามารถเห็นิเห็นเธ่นเดายกัแต่ต้องกับทอนไปสิทธิ์กายเหมือนกันเจ้นิโพระัจ้ละทีโยกันแก่ใจเรื่องนี้ อารได้ทานนี้แล้วทำไมสามารถตะกีเรต่อดตายแล้วจะเริ่มมาลดไม่ใช่เริโมเลยที่ใจเชื่อให้ใจี่อยู่ในแต่หวังเชื่อมันเชื่อมันอยู่ในเตรงเชื่อนเรามันอยู่านได้ถ้ามันไม่ได้มโนวมติกแล้วไม่สามารถตะกีเรที่มันอยู่ในที่นั้นเรื่องง่ายอีกคือปฏิบัติมาเไื่ง่ายในอนาคตีะได้มโนเมติก ในแบบแรกเราคุ้นเอยตั้งแต่งยุคสมัยก่อนสมัยกาอนคำว่าแรกในทีไม่สมัยก่อนแรกจะเป็นเกิการจะปฏิบัติไม่ยอมได้ก็ทําหมือนกันทำแบบได้แล้วก็จะทำให้สงอยู่เหมือนกันนั่นก็คืออารมณ์จิตของเราถอนจากมานะที่จิต เป็นจักริยาหนการที่จะระพฤตปฏิบัติในตคนที่เราเข้าถึงแล้วก็เป็นคนมีใจดีอารมีตัวเาทุกเวลาทุกนาทีจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอเพื่อจะมีใจทันทีและร่นบานไม่ไปกระทนโดยสติกักครไม่มีความ สิ่งทเขา็นกตของเราแต่เขาจะ่เสัก์ของเขาเราเป็นสื่งของเขาเราไม่คิดเนสัวตของเขาเราที่จะทำดีดีที่จะมาเล่นีธรมเีดีสหรเราเจ้ามสอย่างนี้ต้องมีสมบัตก็บริษัทสอย่าง ที่เราแส้ตื่นรตัวก็ไม่มาสู่คมจริต่ยต่องใราอย่างนี้เป็นปกติแม่จิตของเราที่เราเรียนรู้จากตนเองในแต่ละเวลาเป็นคนในสัตว์ถือว่ามีนดีอารมณ์ใจตัวเราจะตั้งส้ิไปใน่อเมทตาอารมยนีนี่คือสิ่งที่เราเรียนร อเรกาจอมอิจิตอันหนึ่งหนึ่งจะต้องติสเสนอดรื่องารเปลี่ยนแปลเราลสเดีนี้ที่ว่าทกสังกัดึัวเกี่ยวทุกอย่าเสมอพล่งายเดียจาเหนกันจะไม่เาใจในยามรดูของเรา เมื่อจะให้เราเกดทุกข์เราไม่เคยสัตย์ตัวสัตเขาเราก็ยังมีอะไรทิกอย่างหนึ่งไ่ใว่าต้องตายจะสงบแต่เชื่อแค่เชื่อคนให้ได้มีความทุขทห้หมดมีความสุขตายมันาใจที่เราจะทาได้นักเจริญเทวิธรรมไม่ต้องมีข้อเท็จไม่ต้องสอนสมาธ เราต้องมีารใจอย่างนี้เป็นปกติในรายการอิจฉาเราจะไม่เอาะไรอิจฉาที่อี๋ยากให้เราจะไม่อิจฉาโยนอิจายิงดีในรายการดีที่คนอื่นทำแล้วแล้วแต่หนว่าเขาทำยังไงมันจะดี แล่เ็เอาอวิีการปฏิบัติตัวไปเข้าถึงความเดีอวนั้นมาเบิกบุตรปฏิบัตินี่เป็นอีกอารมณ์หนึ่งพระมัจดาในพระตระกูลที่จะเป็นปฏิบัติแล้วก็ดุองพระมเหสีมหาวันลีประกาศว่าเราจะมีเริ่มวายเขยในเมื่อเหตเกิดจากแก่แล้วพระมดา ไม่เตียได้ลาดมาแล้วตดเตอในลาดไม่ยินดีเลยไปตาลาดเลียงไปหมดไปแล้วก็ไม่เสียใจที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาได้ยศคามมันลอยตดเขมาแล้วก็ไม่ยินดีในยศก็ยศเป็นความไม่น่นอนเมื่อยศเปหลายตัวไปแล้ก็ไม่ยินดีแล้วก็่เสียใจในเดือดร้อน เพราะมีนัดหรือไม่มีนัดก็ต้องคิดต้องพิจาราทุกวันในกัรมีตารแต่เป็นปกติเดียวกันมีการเดลี่ยให้เป็นรด้เยวกันตายเดียวกันไม่มีปรยชน์ัไม่มีความหมายกำหรับเราเพียงแตว่าราเลนทงนากแต่ว่าก็ถือว่าเปเรื่องธรมดา อีกเ <Cornell>. ื่องหนึ่งก็คือคนที่ว่านทีโลกเป็นเรื่องไม่เราเำได้หรืไม่ในโลกใครให้เราทำอไร้ราต้อ็ดูตัวเราเราวัาใจเราสวยเราเต็มหนักใจไม่มีใจไม่เหลือใม่ารทำเขาพกดเอาจิตเขาจจับเดกจับผล เราไปลินชาว่อะไรเลยอะไรเลยตามผมก็ like ่้องเป็นเราต้องการสิ่งอะรดีเราดีใจทางเราต้องรับเราการดีเรื่อเลยมันเป็นมันดีแค่ฝากเขาด้วยช่เลยแค่ากเขาการยินเรื่องเลมเป็นเรืงที่เราเราอปฏิบัติเอเราทำดีแล้วเราก็เป็นนดี เราทำอะไรเราก็เจอนะไรถ้าอะไรเลยอยถ้าเร่องเสร็และดีมันจะมีในการต่อเาตดยด้านถ้าเราดีอยูก็ยินคาเราเองเลยคนยก็นนน ย, คงคงยินไม่ได้เหมือนกันดันั้นเรืองความว่าเราก็ไม่สนใจในคำยิ น, านคนาใด เ, เลยไปกรเลึกคากับใจเขาเป็นเรื่องของเขา อาเสียก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่สนใจในสองอย่างสิ่งที่เรารมัดร่วังก็คือสิ่งทีเราบริสุทธอ์ใจจิตเพื่อความสมาธิดีหรือเล่าจิตเพ่อรอยุทธะเร่องศาสนาใหญ่ขาดไปหมดไหมหรือเปล่าอีกอันหนึ่งที่จิตใจวุ่นวายแต่ก็เ้อาการต่ก็ไร้เดี เรื่ที่เราต้าสุดที่อาตีไปสดเรื่องี่เาได้สนใจเร้่องที่เสใจเรื่อที่เราไม่ใจแต่มาเสื่งเราไม่สใจไนมันดตวถ้า่ออย่างนี้เราจะย้ไปข้นนเราีใมืเรื่องราตกเป็นั ทุกได้สิ่งก้นเดเร่ของมันไม่เดเของเราอาการอย่างนี้จะมาจกกัได้ไหมถึงจะคันห้าจะสร้างมันจะวายเสียที่ว่าไม่เรีธรรมดายนักปฏิบัติที่จะให้ได้ดีจริงๆเริ่้นเขาทำเป็นอย่างนี้ต้องทันใจแบบนี้และไม่ทําตดแต่เต้น การต้นอะไรมัะเกิดติักันต่อเพื่นบางคือความเื่อนเกิดสิ่นี้มานานเราเวื่นานแระปฏิบัติมานานมันมันจะมาให้รอะรสกอย่างนึงนั่นเป็นความเั่อนเด่ที่มันฝังใจรานานแล้วแต่ว่าเวลานี้เราตัตัวเป็นสาวกไปเรื่อยเรื เราจะจะต้องไม่ยอมรู้ฝ่ายและเรื่อนี้เป็นเจ้านายหัวใจเราแต่การรู้สึกขั้านในการอย่างนี้มาว่าไรต้องเป็นนามใจของเราตันสีว่าเราเชื่อเกินไปสำหรับบุคคลที่อยู่ในเขตของหัศาสนานี่แค่เรา่ธรรดาก็คตบิษัทที่ต้องจรงปฏิบัติมันจะมีส่งนย่อยนะ ถ้าทำใจทำใจเป็นปกติอย่างนี้เป็นปกติเรื่องเงนก็ไม่มีความทุกข์งนก็ยม่มีนี่คำว่าใช้สมถะนี่ท่านปฏิบัติมันก็ดีตลอดเวลาท่านที่ได้มโมนยิเชียนแล้วคำว่ามัวมองก็เราไม่มมมจะมีแต่รไม่ได้ยัในไปตลอดนี่เป็นสิทธิเ์เบ็ เมื่อเรามีอารุณ์ปีญญาในจิตใจเขาทุกคนจะมีแต่ความสั้นตื้นในแต่ความตกสันทัศนาเมื่อเรื่องใจเยกเกี่ยงการแยกจักรวาลขานเราต้องการตัวนี้เมื่อรื่องใจสั้นใหญ่เกี่ยงหลายการสุขมโนวิธิมันเปนของง่ายหปือยากก็ง่ายมากเอาสองวารสารนาวันนามาพักทำมารณานี้ จ, จะอยามาใช้ระโยชน์ในเวลาเท่า้นไป เ, เดินไปเดินมาทาอะไรอยู่คิดกันได้ความดีบ้างเราอารมณที่เราคิดจะนัง่งพละอัพรวนา้บ้างตามสบายท่อใจให้เป็นสึขพรวนน้ำบ้างพิจารณาบ้างไปตามเลือกและเลือกเวลาจิ่เท่าที่ใ่ตองอยู่จะต้องได้ขอความดีอย่างเดียว มีการปฏิกับเรื่อนโมยิจิก็เลยขอไม่ออยากบเรียเดียวเป็นแค่1ินาทีงกันได้ไม่ต้องทำกันมากอย่างที่ตนเองเป็นของตัวนครับแก้สิตได้แล้วจะปฏิบัติเป็นโมจิโต้ใหญ่ไม่เคยจิ0นาทีงกันได้การเรื่องจนไใ เพราะอะไรกพาเขาไม่มีอารมณ์ขุไม่มีสติในตนเงเป็นเนียนนายทหารอะไรแเดียวใหม่แะะ ก, อกออ <c oughs> บอกเคยทำอย่างเอ่นมายีิีไม่เนอะไรไม่ต้องทำม า, า, หาไ ห, าลกกาาหลายแบบบางคนที่บอกเคทํางเด่นมาแล้วแล้วทําใหญ่นยากาายก็เอามาแยกไปเพราว่าตัวจิตตามเลยตัวจิตนม่ยู่ ถ้าเราเป็นมีที่อย่างเขาสอนอย่างไหเราทำอย่างนั้นตัวอย่างราายกินอาหายเราเคยกนข้เจ้าเขาไปแนแดนไปก็กินข้เหนียวคนมีไปกเหนวเราก็กินข้เหนวเราเคยกินข้าวเปลอกตัวจิเขาเรื่องาเราก็กินข้าวตแล้วก็หมดเรื่อ้ม่เราดีข้าวเจ้าเขาดีข้าเหนียวเราอยากให้เขเจ้าเราก็เลยอบาย เราเคยกินเขาสยเขาเลี้ยงจนเระหาเขาสวยเขาม่ีเขาตายนั่นคือความเลวของสิทธ่งเาไปเจอะไรกบตามแม้กระท่งนั้นก็นี้มีมาชั้นให่คนที่จมาฐานแบบเมาแล้วจป็นเดือดใจเวันเ่าวหารที่จหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้เปเราบอกว่าปฏิบัตละเิดสิธิ์มีเก่ว่าหลายจานไม่ได้ ก็เลยให้ตนเอเป็นต่อเติพักเติมสุดสุดใช้เวลาเรสนาทีติคือยเนะก็น่อาเนะเติมก็จับเวลานม่ได้ทันทีพอถึงเวลาไม่ไดมบอกว่าตนเองเติมพอเติมพักก็บอกว่าให้นึกถึงขอบารมีตัวตัดจัดตัวเพียงห้อยเงื่อน ในเรลาไม่มีเจดีย์ระทาย็วางไสวในกลางวันเพ่อสามารถจำยายเลือดลายต่างๆมาได้ทั้งหมดเวลาถูกตั้งตาลไฟจริงถ้ยแม่ไปถึงตาลไก็บอกว่าไม่เจอสึกแล้วสึกขึ้นถึงพนิพายถ้าขึ้นถึงพระนิพายเพื่อรับกว่ามือผสมนิสัยไม่สว่างเข้าวิทรานี ไอ้ใจาวกเป็นเพียงให้ตายเป็นหา้าขอจา ม, มือให้ไจ้ใแล้วก็ตายเหา้าคิดเลยหลีใสไม่ใส่มใสมบั ต, ต, าาาติของเราร่างกายจะตายกท่นเวลานี้เราออกมาจากร่างกายแล้วเมื่อลึกไปเรื่อที่ใจเกิดของเราเทโลกกับอมนโรกเม่ดันตามหมายเราต้องตอย่างเี้วเท เวาหนึเงก็จะตายแม่จะตายโหรจะตายเนียจะตายเมื่อจะตายแล้วตายเมื่อไหร่จะถังเราไม่ต้องการเราต้องใจเสืออะไรนพุทธคันอย่างเดียวเที่ยงเท่านี้อะไรย์เก็นอาจาใสในที่สุดเพื่รนู้ใจจิตวิสัยออกมานี่ถูกไหมการทาผูกทาดีมันเป็นอย่างนี้ แต่ท e so ta tu so ่านที่ทาไม่ได้นี่แสดงว่ากำลังใจของท่านมันคบกัเลวมากกว่าดีถ้าเราต่อไปต่อเวลามันจะหมดเพเพีอะไรนะในนักปฏบัติยาตั้งแน่ยาตั้งนุ่นในเรื่องของใจใต้กำลรงใจให้มันบริสุทธิ์ถ้าอยากทำมือดิบๆให้ได้ก็สิ่งนั้บริสุ เขียนในวสุดอย่างเดียวไม่ทางจะได้อะไรเลยถ้าเขียนในวสจริงๆถ้อยู่ในสภาพจะขหนึ่งก็รเวทีมหาลัยถ้าั้นหงมีสึกษาบทมากในขั้นใหญ่ยี่ห้าย2่สึกษ้อบเจนาหนที่ระเขึ้นมาแล้วบอกว่าันมีสส้อีบสินคาหได้ายไ้รสค้าเพอะไรบ้างไม่รู้ อย่างนี้จะเป็ธาตุหนึ่งก็นได้ยังไงแล้วมีขอทุกท่านที่เบอกเั้งอะไรก็อย่าเบิกตั้งแต่ว่าหมดสนใจในในิไงในที่รับไปสนใจในาจากนารศึกษาหรรมะธรรมยา ม, มาันเว่ า, ส, ว า, ส, า ส, ส, สิ่งนั้มันมีเท่าไรมีอะไรบ้างกอนนี้ไปก็ขอทุกท่านเป็นญาณใต้กาให้ตรงกับโลกที่ไุมั เวลาพรยาเนี่ยความจิตเบาๆกระเจมใบเย็นเย็นไปนไปแตการฝึกแบบนี้แอ้กายขึ้นขึ้นโดยอ้กายที่าจริสมาธิแต่วาควาจิตจะเคลื่อนไปดีนี่เป็นลายมันมีเป็นนิยสมาบัจแตขอายนาเข้มข้นมากขึ้นยาเรืบริหางใจ ตสใจว่าทีองสมเด็จเจ้านายเไม่ายธรรดาสมายสมุทจัรเราว่าทันห้าคือร่างายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเราไม่มีร่างกจยร่างกายไม่มีในเราเพราะมันแกไม่จป่วยมันปวยแมันก็้องตายมันไม่ใชเราไม่ใตัวเราแนจิตเราไม่ยึดมนุษย์จิตเราไม่ยึดตะวัน จิตเราละวิสโลภจิตเราละวิสนาเข้าใและผลผ่านเป็ายลมขออนุโมนาสัาถิเจริญปาฉเจริญัฉมัหาฉิิจาวเติมเมเคาะใจิตใจงเจายรงจันทบริิเอะใจจิตจั้งคันเคอรยราบเยอะไรไปนมาไหน หลังจากนั้นไปขอท่านภาวนาวันละมังค่าปะที่ีเริ Tuesday ่มมาะแบบไหลสบายําตามนั Tuesday ้นแต่ท่านเ่ใหม่ก็ลองดูอย่างนี้เวลาใจเข้านึกว่าภาวนาเวลาใจออกนึก็่าพลาททาใจสบายสบายเวลาคือใสเข้าไปแนะนำท่านตอนนั้นทางวิาะห์ภาวนาเที่ยทําใจเป็นเสร็จภาวนา ท่านจิตให้เนสุดคอฟังคำแนะนำเขาโคสรสอเลยวไอ้ไข่ทำจิตมัแน่นเกนไปท่านจิตใจสุดเบาเบาถ้าเรื่องทุกท่านไม่เสรแบบนึงวันนี้ก็ได้ที่ท่านเีไม่ได้นะแต่หลังท่านหัใจแล้วก็ใส่ใจปัญญาใสยจิตไร่จิตใส่กุศลกุศลามีเกียรติเกียติฐานเจ้าเจ้สอนกุศลผ่านถ้าตข้งใจใส่คข้าให้จริงจ้า การนี้ใครท่ยากจะไปทยอจิตการเวลาทั้งหมดจะได่ไปได้ไปสมัญด้ไประองค์เป็นพระอรหันต์พระพุทธี่ยานตั้งใจให้ตรงยมใงานศพให้มันกำลังดีลงในใจให้ออกให้ทำภาวณาและพิจารณาปัญญาใจจนกว่าจมีขญยานบอกเปลากป็นแนะนําพื่อเข้าไปในนั้นทันเพื่อไม่เสกฤทธิ์จะใหลมตาเนย หลับปาโทงนาไว้ก่อนแล้วกนเลยนำไปสอนท่านล้านใจในป่านนั้นเขาเ่าทนได้